อาตมาสังเกตเห็นชายอายุกลางคนคนหนึ่งกำลังเดินมาทางกุฏิของอาตมาอย่างระมัดระวังเขาเดินช้าๆมองซ้ายทีมองขวาทีด้วยท่าทางประมารหรือตกใจกลัวอะไรบางอย่าง เมื่อเขาไม่ยืนอยู่เฉพอน้าตาหมาแล้วตาหมาก็สังเกตเห็นได้ว่าเขาเป็นชายอายุประมาณสี่สิบปีผิวกายค่อนข้างขาวร่างกายค่อนข้างผอมใส่กางเกงสีน้ำตาลแก่ใส่เสื้อเชิดสีกระกีแขนยาวใส่หมวกแบบโจ๊ ก, กี้สีน้ำตาลสิสซิลักษณะหน้าตาของเขาดูไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา เขายืนจ้องมองดัวตามาด้วยหน้าตาค่อนข้างทะมึนถึงและไม่ถอดหมวกและไม่ยกมือไหว้ด้วยสัญชาตญาณบอกให้ตามาทราบว่าเขาจะมาร้ายมากกว่ามาดีแต่ถึงอย่างไรก็จะต้องถามดูให้รู้เรื่องอัตมาเลยถามว่าโยมมีธุระอะไรรึเขาไม่ตอบ สํำยังถามย้อนกลับมาว่าท่านคือพระธรรมโคตชัยรือเปล่ามาเลยต่อว่าใช่โยมมีธุระอะไรกับอาตมมาหรือเขาก็ตอบเสียงห้นห้นๆว่ามีธุระสมคัญมากทีเดียวเชิญโยม นั่งพักผ่อนให้สบายก่อนถ้ามีธุระ ก, กับอาตมาจากลักษณะท่าทางของโยมอาตมาก็พอจะถ่ายได้เหมือนกันว่าโยมกำลังมีธุระสำคัญเชิญ น, นั่งก่อนอาตมาจะนำนาำมาให้ดึงอาตมาตอบพลางสำรวมใจแผ่เมตตาให้เขาเขานั่งลงบนขั้นบันไดข้างหน้าอาตมา อย่างว่า ง, ง่ายอาตมาเอื้องมือไปหยิบเอาคนโถน้ำและแก้วที่ตั้งอยู่ริมประตูมาเทน้ำใส่แก้วยืนให้เขาเขารับเอาไปไว้ริมขอบกระดานแล้วก็จ้องดวงตามาขมิง่งโยมมีธุระอะไรก็ว่าไปเลย เขากล่าวออกมาอย่างเคียดแขนทันทีว่าผมจะมาฆ่าท่านเขาไว้ยังน้นคำพูดของเขาทำให้ตมาถึงสะ ด, ดุ้งสุดตัวทีเดียวแต่ก็ได้พยายามใช้สติคมใจไว้ทั้งทั้งที่รู้สึกงวยงงต่อสถานการณ์อย่างมากเพราะตั้งแต่เกิดมายัางไม่เคยมีใครมาพูดเช่นนี้ต่อหน้าต่อตาเลย พยายามสงบใจแผ่เมตตาให้เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดา ว, ว่าโยมจะฆ่าตมาทำไมรึก็ฆ่าให้ตายแล้วสิเขาตอบทันทีทันใดด้วยเสียงกล้าวถ้าโยมจะฆ่าตมาเพียงเพื่อให้อตมาตายโยมก็ไม่จำเป็นต้องทำบาปทำกรรมอันหนักนี้เพราะอีก ไม่ถึงร้อยปีอาตมาก็จะตายอยู่แล้วอาตมาอยากทราบว่าวะอะไรเป็นมูลเหตุทำให้โยมคิดฆ่าอาตมาโยมโกรธเคืองอาตมาด้วยเรื่องอะไรชายประหลาดนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเขามองไปรอบๆด้วยท่าทางกระวนกระวายใจท่านไม่จำเป็นจะต้องรู้เหตุผลเขากล่าวขึ้นเป็นเชิญตัดบท อาตมาควรจะรู้โยมเพราะตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้อาตมาไม่เคยก่อกรรมทำเวนไว้กับใครเลยนอกจากได้เผลอกระทำไปโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นอาตมาอยากทราบว่าวอาตมาได้ทำกรรมอะไรไว้กับโยมถ้าเป็นกรรมหนักพอที่จะถูกฆ่าอาตมาก็จะยินยอมให้โยมฆ่าแต่โดยดีจะให้อภัยแก่โยมไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่กันต่อไป เป็นการใช้นี่กรรมกันให้เสร็จเสียในชาตินี้อาตมาไม่กลัวตายเสียดายชีวิตแต่อย่างใดเพราะอาตมาปลงตกหมดแล้วแต่ถ้าโยมฆ่าตามาด้วยเหตุผลไม่สมควรหรือเกิดฆ่าผิดตัวเข้าจะเป็นบาปเป็นกรรมเกยโยมเองเขาตอบทันทีว่าไม่ผิดตัวแน่ๆถ้าท่านเป็นพระธรรมโคดจี พระธรรมโคดอาจจะมีหลายองค์ก็ได้แล้วยมจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นองค์ที่ยมตั้งใจจะฆ่านอกจากจะบอกสาเหตุให้ตามาทราบก่อนชายคนนั้นควักเอาปืนพบออกมาจากกระเป๋ากางเกงถือไว้ในมือและเล็งปากกระบอกปืนมาทางอตมาสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังมีตาและใจมืดมัว ด, ด้วยอวิชชาถูกตันหาอุปาทานและสักกายทิฏฐิผูกมัดไว้ต่างย่อมรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์เมื่อถูกภัยใหญ่คือความตายคุกขามย่อมเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นธรรมดาสำหรับอาตมาเอง แม้จะมีความหวัดวันอยู่บ้างแต่เพราะข้าที่ได้ศึกษาอบรมมานานในหลักอนิจจันทร์ทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดและความตายอยู่ทุกขณะจิตจึงสามารถบรรเทาความหวัดโกรธลงได้บ้างชายผู้มุ่งร้ายยังคงเล็งปากกระบอกปืนมาทางอัตมาจ้องตาอันเต็มไปด้วยแววแห่งความเครียดแค้นมายังอัตมา เสยยิ้อย่างเหี้มเกรียมแล้วพูดด้วยเสียงอันสั่นพร่าว่าท่านทำให้ผมต้องประสบกับความหายนะแทบสิ้นเนื้อประดาตัวท่านทำให้ผมต้องออกจากบ้านเที่ยวลบๆซ่อนๆไม่กล้าประเชิญหน้ามนุษย์ท่านเป็นผู้ทำลายความสุขและอนาคตของผมอย่างสิ้นฉิด ผมจะฆ่าท่านฆ่าให้สมกับความแค็นอาตมาไม่เข้าใจคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยไม่ทราบว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรครั้งจะถามเขาในขณะนั้นก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาอาจจะกระดิกนิ้วปล่อยกระสุนสังหารอาตมาในวินาทีใดก็ได้ เมื่อไม่มีสิ่งใดพอที่จะแก้ไขปัดเป่ามรณะภัยคราวนี้ได้อตะะมาจึงมอบชีวิตให้แก่พระรัตนตรัยและเวรกรรมอธติฐานในใจว่าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าได้นำตนสู่อาณาจักรแห่งกาสาวพัดอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาทุกวินาทีไปในการปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นและในการสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในส ม, มา ท, ทิิไม่เคยคิดเบียดเบียนคนหรือสัตว์ใดๆ ด, ด้วยกายวาจาหากชายคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้ามาแต่ชาติก่อนก็ขอให้ฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้ายินดีเสียสละชีวิต เพื่อใช้นี่เวนเก่าให้หมดสิ้นไปและจะไม่ผูกใจเจ็บจองกรรมจองเวนกับเขาอีกต่อไปขอให้เป็นอันสิ้นสุดกันแค่นี้แต่ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่เคยเป็นคู่เวนกับชายคนนี้มาก่อนขอจะมาก่อกรรมทําเวนแกข้าพเจ้าด้วยความลงผิดใส่ขอให้เทพเจ้าเราอาธิษฐานกายทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าได้เถิดอัตมาอธิษฐานเสร็จเหตุการณ์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือมีพระองค์หนึ่งเดินตรงมาทางกติของอัตมาพระองค์นั้นก็คือท่านวิชานันทะซึ่งอยู่ประจำที่พระอารามและเคยมาสนทนากับอัตมาเป็นประจำนั่นเอง พอเหลือไปเห็นท่านวิชานันท h ชายประหลาดคนนั้นก็รีบเก็บปืนพกโดยเอาสอดใส่เข้าไปในเสื้อแสดงกิริยาท่าทางหึดหัดคล้ายกับเกิดความผิดหวังอย่างหนักที่มีผู้เข้ามาขัดขวางแผนการของเขาอาตมารู้สึกโล่งใจเหมือนมีผู้มายกเอาภูเขาออกไปจากอกที่ท่านวิชานันทะมาช่วยชีวิตไว้ แต่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นอาตมาก็รีบรวบรวมกำลังใจกำจัดความปิติยินดีนั่นเสียเพราะพระอาจารย์เคยสอนอาตมาเสมอว่าความดีใจก็ดีความเสียใจก็ดีเมื่อเกิดขึ้นย่อมทําให้ใจเสียคุณภาพใจเสียคุณภาพเมื่อดีใจมากเสียใจมาก ความดีใจก็ดีความเสียใจก็ดีเกิดขึ้นย่อมทำให้ใจเสียคุณภาพเมื่อรู้ตัวอยู่พึงกำจัดเสียและอาตมาก็ได้ปฏิบัติตามนั้นเสมอมาผมมีปัญหาบางอย่างที่อยากจะปรึกษากับท่านครับท่านวิชานันทะพูดขึ้นเมื่อมาหยุดอยู่ข้างหน้ากุฏิน้อยของอาตมา ขณะพูดดวงตาของท่านจับอยู่ที่ชายประหลาดนั้นตลอดเวลาคือผมอยากจะข อ, อนิมนต์ท่านไปที่ปติผมสักประเดี๋ยวอตมาเลยพูดขึ้นว่าคือผมกำลังมีแขกถ้าธุระของท่านไม่รีบด่วนนะผมก็อยากจะคุยกับแขกก่อนอตมาสังเกตเห็นว่าชายประหลาดคนนั้นคงจะงงงวยต่อคำพูดของอตามาไม่น้อย เพราะเขาจ้องดวงตามาด้วยสายตาแสดงควาง ม, มงงงงคือค่อนข้างจะเรียบด่วนซสียด้วยท่านวิชานันทต์ตอบคือผมมีธุระรีบด่วนแต่คงกินเวลาไม่นานนักผมข อ, อนมนต์ท่านไปพบกับผมก่อนเถิดอาตมาหันไปพูดกับชายประหลาดซึ่งนั่งก้มหน้านิ่งอยู่ว่าถ้าอย่างนั้น อตาตมาขอตัวไปทำธุระสักประเดี๋ยวขอโยมนั่งคอยอตาตมาอยู่ที่นี่อตาตมาจะกลับมาในไม่ช้าว่าแล้วอาตมาก็ควายย่ามตามท่านวิชานันท์ไปคือผมกำลังเขียนบทความธรรมะสำหรับลงหนังสือพิมพ์ท่านวิชานันท์เอ่ยขึ้นเมื่อเรามาถึงกุฏิของท่านแล้ว แต่เกิดความสงสัยในธรรมะข้อหนึ่งจึงอยากจะขอฟังทัศนะของท่านต่อจากนาตมาก็ได้อธิบายธรรมข้อนั้นตามที่ตนเข้าใจถวายท่านวิชานัมทาท่านซักถามเพิ่มเติมและอาตมาได้อธิบายเพิ่มเติมจนท่านพอใจแล้วอาตมาจึงอำลากลับเมื่อกลับถึงกุติปรากฏว่าชายคนนั้นหายไปไหนเสียแล้วเขาคงคิดว่าอาตมา จะไม่กลับไปเป็นเหยื่อกระสุนของเขาอีกเขาจึงหลบหนีไปสักก่อนเพราะมนุษย์ทั่วไปที่สามารถนำตนพ้นจากมรณะภัยแล้วย่อไม่มีใครเลยที่จะกลับคืนไปหามัจจุราชอีกขณะนั้นเป็นเวลาค่ำแล้วบรรยากาศทั่วไปสงบเงียบวังเวงใจเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณะธรรมยิ่งนักอาตมาเข้าไปในกุฏิ หยิบเอาเทียนไขมาจุดเอาตั้งไว้ในโคมผ้าแล้วเอาแขวนไว้บนไม้แขวนข้างฝาเสร็จแล้วก็นั่งคิดทบทวนดูเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นที่เพิ่มผ่านมานั้นนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเดินฝ่าพุ่มไม้ข้างๆบริเวณกุฏิออกมาเมื่อเขาเข้าอยู่ในรัศมีแสงของไฟอาตมาก็จําได้ว่า เขาคือชายประหลาดคนเดิมนั่นเองเขาคงตั้งใจกลับมาฆ่าอาตมาอีกอาตมาพูดขึ้นก่อนว่าขอโทษนายโยมที่ทำให้ยโยมต้องคอยนานเชิญขึ้นมานั่งข้างบนชายคนนั้นขยับขึ้นมานั่งบนขั้นบันไดที่เดิมฝ่ายอาตมาก็นั่งลงข้างหน้าเขาตามเดิมนั่นเอง จากแสงไฟอันเร็บหรี่ของเทียนไขอตมาสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของเขาเปลี่ยนไปบ้างแต่แววแห่งความวิตกกังวลยังมีอยู่เมื่อเห็นเขานั่งนิ่งอยู่อตมาจึงพูดขึ้นว่าอตมากลับมาแล้วอยู่อยากทำอะไรก็เชิญตามสบายเขากล่าวขึ้นในที่สุดว่า ท่านเป็นคนประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาประหลาดอย่างไรไดโยงท่านเป็นคนกล้าหาญที่สุดไม่แสดงความหวาดกลัวต่อความตายแม้แต่น้อยท่านไปพ้นจากความตายแล้วยังอุตส่าห์กลับมาหาความตายอีกเพื่อรักษาคำพูดผมไม่เคยคิดว่าจะยังมีคนเช่นนี้อยู่ในโลก เคยได้อ่านแต่ในใิยายวันนี้ผมมาพบคนจริงเขาแล้วผมฆ่าท่านไม่ลงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาทำให้อตมาประหลาดใจไม่น้อยเอ่าแล้วทำไมโยมเปลี่ยนใจเสะล่ะก็โยมตั้งใจจะมาฆ่าตมาไม่ใช่หรือใช่แต่ความดีของท่านทำให้ผมเปลี่ยนใจ ผมยังไม่โหดร้ายทารณุณพอที่จะฆ่าคนดีแท้อย่างท่านหรอกเอาละไม่ฆ่าก็ดีแล้วอาตมาจะได้มีโอกาสทำประโยชน์แก่โลกต่อไปโยมก็จะได้ไม่ต้องทำบาปหนักแต่ตามาก็อยากทราบว่าทำไมโยมจึงคิดจะฆ่าตามาเล่าเรื่องราวให้ตามาฟังด้วยคือเรื่องมันยาวพอดู แต่ผมก็จะสารภาพให้ท่านฟังจนหมดสิน้นผมชื่อบรรทานเป็นพ่อค้าอยู่ในเวียงนี้เองนอกจากค้าขายธรรมดาแล้วผมยังเป็นเจ้ามือเล่นสลากกินรวบอีกด้วยแม้จะเป็นการผิดกฎหมายแต่ผมก็ยอมเสี่ยงทำเพราะเป็นงานสบายมีรายได้ดีเมื่อไม่นานมานี้มีชายคนหนึ่งชื่อปันบ้านอยู่บนดอย ตังว่าในเลขดีจากอาจารย์ผู้วิเศษไปกว้านซื้อเลขที่เขาต้องการด้วยเงินก้อนใหญ่มากผมได้ทราบว่าเขาเป็นคนจนๆแต่เพราะเชื่อมั่นในเลขจึงอุตสา์นำบ้านช่องไปจำนำจำนองเอาเงินมาทุ่มเทซื้อเลขผมเห็นเขาแล้วก็ได้แต่นั่งอมยิม้ม เพราะคิดว่าเขาคงจะเป็นอีกรายหนึ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาหลงเชื่อหลงปากอาจารย์ผู้วิเศษจอมปลอมทั้งหลายเช่นเดียวกับรายอื่นๆที่เคยล่มจมมาแล้วแต่เมื่อถึงวันเลขออกปรากฏว่าเขาถูกเข้าจริงๆผมถึงกับล้มทั้งยืนเพราะความตกใจเนื่องจากเงินที่ผมจะต้องใจ่ายให้เขานั้นเป็นเงินหลายแสนบาท ถ้ผมใจให้เขาผมก็ไม่มีเงินเหลืออยู่ในธนาคารเลยผมจึงตัดสินใจลบหนีไปเที่ยวลบๆซ่อๆอยู่ตามบ้านเพื่อนในเวลาเดียวกันก็ส่งลูกน้องสืบดูว่าอาจารย์วิเศษผู้นั้นคือใครอยู่ที่ไหนสืบไปสืบมาก็ทราบแน่ชัดว่าท่านนี่เองคืออาจารย์ผู้นั้นผมจึงตัดสินใจจะมาสังหารเสียให้สมแข็ เพราะท่านเป็นต้นเหตุทำให้ผมต้องประสบทุกขาวนี้และถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะบอกคนอื่นอีกต่อไปก็เท่ากับท่านทำลายอาชีพของผมถ้าท่านตายไปเสียผมก็จะประสบความหายนะเพียงครั้งเดียวต่อไปผมก็จะดำเนินการได้อีกเพราะฉะนั้นผมจึงคิดจะฆ่าท่านเสีย เมื่อฟังเรื่องราวของนายบรรหารจบลงอาตมาก็เห็นได้ทันทีว่าตอนเป็นผู้มีส่วนในความยุ่งยากครั้งนี้อยู่ด้วยเพราะอัตมาเป็นผู้บอกเลขให้นายปั่นไปสืบเหตุที่บอกเขาก็เพราะความสงสารเห็นใจในความจนของเขาโดยมิได้คาดการล่วงหน้าว่าความยุ่งยากเช่นนี้จะเกิดขึ้น เป็นอันว่าการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยวัตถุเพราะความกรุณาของอาตมาแทนที่จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่นายปันกลับนำความผิดหวังเวนภัยความอาฆาตพยาบาทมาสู่คนที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนและนำทุกข์ภัยมาสู่ตนเองด้วยความเบื่อนายเอือมระอาต่อเรื่องของโลกทำให้อาตมาปฏิญาณในใจตั้งแต่บัดนั้นว่า จะไม่ช่วยเหลือใครในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุทรัพย์ต่อไปอีกจะช่วยด้วยธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไรก็ตามเมื่อหวนคิดถึงนายปันความสงสารเห็นใจก็กลับมาท่วมทับหัวใจอีกเขาจะผิดหวังและเป็นทุกข์มากเพียงใดในเมื่อตนถูกเลขกแล้วกลับไม่ได้อะไรเลยเมื่อการช่วยครั้งแรกไม่สำเร็จผล ก็ควรจะช่วยต่อไปจนกว่าความตั้งใจเดิมจะสำเร็จเท่าที่ตมาฟังเรื่องของโยมมาตั้งแต่ต้นก็พอจะจับความได้ว่าเวลานี้โยมยังไม่ได้จ่ายเงินให้หนายปันโยมทราบหรือเปล่าว่าเวลานี้เขากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนก็เขากำลังตามค่าผมอยู่ทีเดียว นายบรรหารตอบพลางมองไป ร, บรอบๆตัวด้วยความหวาดระแวงไม่เฉพาะตัวเขาเท่านั้นแม้แต่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเขาก็าออกตามล่าผมอยู่ด้วยเขาประกาศว่าพบผมที่ไหนเมื่อไหร่จะฆ่าทันทีอัตมาปรารพบขึ้นมาดูเรื่องมันสับสนโอล ม, มานน่าดูนายปั่นตามฆ่ายโยมโยมตามฆ่าอัตมา เอาหลับเป็นอันว่าเวลานิยมกำลังตกอยู่ในความทุกข์ใหญ่มีศัตรูตามฆ่าอยู่รอบด้านโยมต้องเที่ยวหลบซ่อนอยู่ตามบ้านเพื่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องทัดพลากจากลูกเมียต้องเสียการงานและเกียรติยศชื่อเสียงอตมาสงสารโยมและอยากจะช่วยโยมให้พ้นจากทุกคราวนี้อตมาเชื่อว่ามีทางพอจะช่วยได้ถ้าโยมให้ความร่วมมือ ท่านจะให้ผมทำอย่างไรครับในมนบอกมาถึงถ้าไม่เหลือบากว่าแรงผมยินดีจะทำตามผมเบื่อภาวะอันแสนทุกทรมานนี้เต็มทีแล้วอาตมาเห็นว่าความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะโยมไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาถ้าโยมจ่ายเงินให้เขาเสียตั้งแต่ต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเรียบร้อยถ้าโยมอยากจะพ้นทุกคราวนี้ ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะยอมจ่ายเงินให้เขาเท่านั้นอาตมาสังเกตดูกิริยาท่าทางนายบรรหารในขณะนั้นรู้สึกว่าเขากําลังตกอยู่ในภาวะยุ่งยากใจอย่างยิ่งเขาอย่างไม่ตอบอาตมาเพียงแต่แสดงอาการกระสับกระส่ายถอนหายใจอย่างหนักหน่วง อาตมาเชื่อว่าถ้านายปันไม่ได้เงินจํานวนนี้จากโยมเขาจะต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะโยมเองบอกว่าเขาถึงกับจำนองบ้านมาเล่นบ้านของเขาจะถูกริบเขาพร้อมทั้งบุตรภันยาจะต้องระเหยไร้ร่อนและอดอยากส่วนโยมเล่าถ้าโยมจ่ายเงินจํานวนนี้ให้นายปันโยมจะถึงกับล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวอย่างนายปันไหมขอให้บอกอาตมาตามความเป็นจริง ก็ไม่ถึงกับหมดตัวนายบรรหารตอบด้วยเสียงอ่อยๆหมายความว่าโยมยังมีเงินเหลืออยู่ที่บ้านยังมีร้านค้าและกิจการค้าซึ่งจะทำเงินให้โยมยังมีบ้านมีที่ดินของตนเองอยู่ใช่ไหมออใช่ครับถ้าอย่างนั้นโยมยังอยู่ในฐานะดีกว่านายปั่นหลายร้อยหลายพันเท่า จ่ายเงินให้เขาเสียเถิดโยมเรีกว่าเห็นแก่หัวอกคนยากคนจนเถิดถ้าโยมจ่ายเงินให้เขาอาตมาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยนายปั่นและพวกพ้องจะเลิกปองร้ายโยมจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียได้อย่างสงบสุขตามเดิมแต่ถ้าโยมไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาสักวันหนึ่งโยมจะต้องตายเพราะนํามือของเขาถ้ายัางไม่ตายก็จะต้องหล บ, หลบสๆสซ่อนอยู่อย่างนี้หมดอิสรภาพ หมดความสุขสัดพรากจากลูกเมียเสียการงานถูกคนเกลียดชังเช่งชักหับกระดูกถึงแม้โยมจะไป ด, ดําเนินงานแบบเดิมก็ไม่มีใครเชื่อใจโยมนั่นเองแหละเป็นผู้ทําลายอาชีพและอนาคตของโยมเองไม่ใช่อัตมารอขอให้โยมคิดให้ดีว่าโยมจะยอมเสียเงินหรือยอมเสียชีวิตนาย บรรหารนั่งจ้องดวตาตมาอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ก้มลงกราบเทพเทาตามาพลางกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าท่านครับคำเทศของท่านทำให้ผมเกิดแสงสว่างขึ้นในใจมองเห็นเหตุการณ์ทะลุปโปร่งหมดทำไมนะตอนแรกผมจึงไม่ได้คิดอย่างนี้ ถ้าผมคิดได้อย่างนี้ความทุกข์ระทมข่มขืนเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นผมต้องขอบพระคุณท่านสักพันครั้งที่ได้ชักนำผมเข้าสู่ทางที่ถูกถ้าไม่ได้พบท่านผมคงจะทนทุกข์ทรมานไปอีกนานทีเดียวพรุ่งนี้ผมจะให้คนไปติดต่อกับนายปันนัดหนให้เขามารับเงินต่อไป ผมต้องกราบขออภัยจากท่านที่ได้ล่วงเกินท่านในตอนแรกเพราะตอนนั้นผมถูกความโกรธแค้นครอบงำจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วอาตมายินดีให้อภัยแกยโยมและขออนุโมทนาที่โยมกลับใจได้แต่อย่าลืมว่าต้นตอใหญ่ของความยุ่งยากทั้งหมดนี้อยู่ที่โยมเป็นเจ้ามือสลากินรวมถ้าโยมสามารถกลับใจเลิกเป็นเจ้ามือเสีย หันมาประกอบอาชีพอื่นที่สุจริตต่อไปอาตมาจะอนโมทนายิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เลิกความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นอีกแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งชายคนนั้นรับคำแนะนำของอาตมาไว้พิจารณาแล้วก็ลาจากไป ดนวันนั้นหลังจากเดินจงกรมกลับไปกลับมาระหว่างต้นสักสองต้นจนเมื่อยแล้วอาตมาก็กลับมานั่งพักผ่อนบนเฉลียงกติน้อยขณะที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นคำสอนของพระอาจารย์ได้เกิดผุดขึ้นในจิตใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านเคยสอนไว้ว่าเมื่อก้าวย่างเข้าไปสถานที่แห่งใดเป็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและความคุ้นเคยทันทีทันใดแสดงว่าในชาติก่อนชาติใดชาติหนึ่งเราเคยเกิดและอยู่ที่นั่นมาก่อนถ้าเป็นป่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์หรือรุกขเทวดาอยู่ที่นั้นถ้าเป็นบ้าน เราเคยเกิดเป็นคนอยู่ที่นั่นที่เช่นนั้นไม่ควรอยู่นานเพราะจะทําให้เกิดการติดถิ่นติดบุคคลเป็นโอกาสที่จะได้พบคู่กร ร, รมคู่เวรในอดีตชาติความยุ่งยากที่เคยคาดหมายมาก่อนอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกรรมเป็นอันตรายต่อการประพฤติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดผล เมื่อคิดเปรียบเทียบคําสอนของพระอาจารย์กับประสบการณ์ของตนตั้งแต่วาระแรกที่มาถึงอารามตีนดอยแห่งนี้ก็รู้สึกเป็นความจริงอาตมายังจําได้ว่าในบ่ายวันแรกที่ตามาก้าวเข้าสู่บริเวณอารามนั้นเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดคล้ายกับเพิ่งกลับถึงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน โคดเขินเนินดินร่องห้วยทุกแห่งต้นไม้ทุกต้นดูคุ้นตาคุ้นใจอย่างประหลาดความสุขสบายใจอย่างลึกซึ้งนี่เองเป็นเหตุทำให้อตมา ฝ, าฝ่าฝืนคำสั่งของพระอาจารย์อยู่นานเกินกำหนดจนประสบเหตุร้ายแรงหน้าสยองขวัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปอตมาได้ตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นว่าจะอำลาอารามแห่งนี้ ออกเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นพอตัดสินใจเสร็จก็เกิดความเศร้าใจอาลัยรักในอารามอย่างลึกซึง้งพอตัดสินใจเสร็จก็เกิดความเศร้าใจอาลัยรักในอารามอย่างลึกซึง้งแต่อัตมาก็พยายามตัดห่วงอาลัยเสียโดยคิดว่าชีวิตมีอันจำพรากเป็นธรรมดา อย่าว่าแต่สถานที่และบุคคลเลยโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตร่างกายของเราเองสักวันหนึ่งก็จะต้องทิ้งไว้เบื้องหลังเช้าวันรุวงขึ้นอาตมาเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านอำลาญาตโยมกลับวัดฉันปตาหานแล้วก็อัมลาสหาธรรมิตอันมีท่านวิชานันทเป็นประธาน ท่านแสดงความประหลาดใจมากที่อาตมาจะจากไปอย่างกระทันหันเพราะท่านเข้าใจว่าอาตมาจะอยู่จําพรรษากับท่านที่นี่ท่านได้พยายามขอร้องให้อาตมาอยู่กับท่านต่อไปโดยให้เหตุผลว่าถ้าท่านไปเสียผมก็ขาดที่ปรึกษาทำไปเพราะผมเรียนรู้จากตำราแต่ท่านเรียนรู้จากการปฏิบัติ จึงรู้จำแจ้งผิดกันต่อไปนี้เกิดความสงสัยขึ้นมาไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครเสียด้จริงๆอัตมาตอบท่านวิชานันทะด้วยพุทธภาษิตว่าอัตติอัตโนนาถูอัตมาก็กล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายอัตมาสะพายบาดเบกกลดเดินทางผ่านทุ่งนาป่าไม้ไปเรื่อย อย่างไม่มีจุดหมายปลายทางตามที่เคยปฏิบัติมาจุดหมายปลายทางของอาตมาก็คือป่าชาหรือราวป่าใกล้ๆหมู่บ้านที่ตา ม, มาเห็นว่าควรจะหยุดพักสำหรับวันนั้นไม่มีการตั้งจุดหมายไว้ล่วงหน้า เพราะการตั้งจุดหมายไว้ล่วงหน้าเป็นการสร้างเงื่อนไขบังคับตัวเองโดยไม่จำเป็นทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับเวลาว่าจะไปไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้ทำให้เสียอิสรภาพและความสุขสบายทางใจเพราะเหตุนี้ตมาจึงไม่ตั้งจุดหมายไม่กำหนดระยะทางไม่นับเวลานาที แต่เดินไปเรื่อยดุดปุยเมฆที่ล่องลอยไปในน่านฟ้าในเวลาบ่ายอาตมาพาตัวเองอยู่บนถนนลาดยางสายหนึ่งจึงตัดสินใจเดินตามถนนสายนั้นมุ่งหน้าสู่ทิ่ตายแสงแดดในตอนบ่ายร้อนระอุพอดูแต่ก็ยังเย็นกว่าไฟกิเลส ท, ที่เผาลนจิตใจของมนุษย์ ความร้อนทำให้เกิดความกระหายน้ำแต่มองไม่เห็นที่ที่พอจะได้น้ำมาดื่มทำให้เห็นชัดขึ้นว่าความกระหายนั้นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าความกระหายใจของมนุษย์ด้วยอำนาจตันหาอาตมาได้หยุดพักที่ใต้ร่มไม้ข้างถนนเพื่อให้เข่าที่เริ่มจะปวดเพราะการใช้งานหนักได้พัดผ่อน ขณะที่นั่งพักก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไรประโยชน์เพราะพระจารย์ของตามากาชับหนักหนาว่าทรัพ ส, สมบัติทุกชนิดในโลกแม้จะสูญหายไปแล้วยังมีหวังได้กลับคืนแต่เวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไปแล้วไม่มีทางได้กลับคืนเลยฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน จงทำเวลาทุกๆนาทีให้เป็นประโยชน์ถ้าทำทางกายไม่ได้จงทำทางวาจาถ้าทำทางวาจาไม่ได้จงทำทางใจคือคิดนึกในสิ่งที่ดีมีประโยชน์พระอาจารย์เคยเน้ว่าถ้าไม่มีอะไรจะทำทางกายวาจาใจและไม่อยากทาอะไรจงหยิบเอาหนังสือสุภาษิตขึ้นมาเปิดอ่านพบสุภาษิตบทใด ให้อ่านทบทวนสุภาษิตบทนั้นจนจำได้แล้วพิจารณาจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตได้มากเพราะสุภาษิตแต่ละบทนั้นนักปราชญ์ได้คิดแต่งขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองและของคนอื่นพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลานานจนแน่ใจแล้วว่าเป็นความจริงแท้ จึงผูกเป็นสุภาษิตไว้สอนคนรุ่นหลังสุภาษิตต่างๆแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่ก็บรรจุเอาความจริงของชีวิตของสังคมมนุษย์และของโลกไว้ได้ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพบสุภาษิตใดๆอย่ามองข้ามไปให้นำมาพิจารณาอย่างละเอียดจะได้ความรู้เท่ากับอ่านหนังสือเล่มใหญ่ทีเดียว ตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงสนใจสุภาษิตต่างๆได้ถือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆไว้กับตัวพบสุภาษิตดีๆไม่ว่าของชาติใดภาษาใดเป็นต้องจดใส่สมุดพกนั้นไว้ทันทีว่างๆก็นำมาอ่านและพิจารณาวิธีอ่านก็ไม่จำเป็นต้องเปิดตั้งแต่หน้าแรกเปิดหน้าไหนพบสุภาษิตอะไรก็อ่านและพิจารณาสุภาษิตนั้น สำหรับคราวนี้อาตมาหยิบสมุดพบออกมาจากย่ามพอเปิดออกมาดูก็พบสุภาษิตฝรั่งบทหนึ่งว่าจงให้อภัยแก่คนอื่นแต่อย่าให้อภัยแก่ตนเองเป็นอันขาดอาตมาเริ่มคิดวิจารณ์เนื้อความของสุภาษินั้นทันที สุภาษิตบทนี้มีความหมายในทางสอนใจได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราทุกคนย่อมมีความรักตนเป็นมูลฐานอยู่แล้วสมดังความของพระพุทธภาษิตว่านักธิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีเมื่อบุคคลรักตนก็ย่อมเข้าข้างตนเห็นแก่ตัวเมื่อตนทำความดีเพียงเล็กน้อย ก็อยากให้ปรากฏอยากให้คนอื่นรับรู้อยากมีหน้ามีตาอยากได้รับการยกย่องสรรเสริญตรงกันข้ามเมื่อตนทำความชั่วแล้วกลับไม่อยากรับความชั่วนั้นถ้ายอมรับก็ถือว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแล้วก็ให้อภัยเกตตนเองอย่างง่ายดายบางคนนอกจากจะไม่ยอมรับความผิดที่ตนทำแล้ว ยังโยนความผิดไปให้คนอื่นอีกด้วยทำให้เกิดถ้อยอร้อยความทะเละวิวาททำลายล้างพลานกันรพระบาทผู้เห็นความยุ่งยากของเรื่องนี้จึงได้ผูกสุภาษิตบทนี้ขึ้นเพื่อสอนใจคนเพื่อให้คนหมั่นสำรวจตรวจดูตนเองอยู่เสมอถ้าพบข้อผิดพลาดของตนเองแม้เพียงเล็กน้อย อย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วรีบแก้ไขปรับปรุงเสียโดยวิธีนี้เท่านั้นคนจึงจะดีขึ้นได้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นได้เพราะเท่ากับล้างสิ่งสกปรกออกจากตนทุกๆครั้งที่มีสิ่งสกปรกมาถูกต้องตนตรงกันข้ามถ้าตนทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิด ให้อาภัยแก่ตนเองก็เท่ากับไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากตนความสกปรกนั้นจะหมกหมมพอกพูนขึ้นทุกทีจนกระทั่งเขากลายเป็นก้อนแห่งความสกปรกโสมมเน่เหม็นไม่อยากมีใครเข้าใกล้คบค้าสมาคมด้วยขณะที่ธรรมากำลังนั่งคิดวิจารสุภาสิทธ์นั้นอยู่นั่นเองความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้น คือคิดว่าถ้ามีรถยนต์โดยสารผ่านมาจะขออาศัยเขาโดยสารไปก็อาจช่วยบรรเทาความเมื่อยขบแข้งขาได้บ้างคิดเช่นนั้นแล้วก็นั่งคอยรถคิดวิจารใจความของสุภาษิตไปพลางครู่ใหญ่ผ่านไปหัวตามาแววได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งดังมาแต่ไกลจากทางด้านทิศเหนือ อตาตมาดีใจรีบออกไปยืนบนถนนและยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้รถหยุดตามที่เคยปฏิบัติมาแต่อตาตมาสังเกตเห็นว่ารถยนต์คันนั้นหาได้ลดความเร็วลงเพื่อจะหยุดรับอตาตมาไม่มันวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วอตาตมาสังเกตเห็นว่ารถคันนั้นมีคนโดยสารค่อนข้างแน่น ค่อนข้างแน่นมากแม้บนหลังคาก็เต็มไปด้วยสัมภาระสิ่งของต่างๆนั้นอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้คนขับไม่ยอมหยุดรับอาตมาเพราะการจัดที่ทางให้พระภิกษุในรถโดยสารแน่นๆไม่ใช่ของทําได้ง่ายๆฉะนั้นคนขับรถบางคันจึงไม่เต็มใจที่จะรับคนโดยสารที่เป็นพระอาตมาจึงกลับเข้าไปนั่งใต้ต้นไม้คอยรถคันอื่นต่อไป ความกระหายน้ํารบกวนหนักขึ้นจนรู้สึกล่องคอแห้งน้ําลายเหนียวครู่ใหญ่ผ่านไปก็มีรถโดยสารอีกคันหนึ่งวิ่งมาจากทางทิศเหนืออาตมารีบออกไปยืนข้างถนนโบกมืออีกแต่รถยนต์นั้นก็วิ่งผ่านไปอีกโดยไม่อะไรใ่ดีทั้งทั้งที่บนรถมีคนโดยสารไม่มากนักความโกรธเคืองเล็กน้อยคุ ก, กรุ่นขึ้นในใจ ของอะตมาแต่เมื่อได้สติกลับคืนมาก็รีบรังนับมันเสียโดยคิดว่าเราเป็นคนอื่นไม่มีส่วนเป็นเจ้าของรถคันนั้นเจ้าของที่แท้จริงของเขาย่อมมีสิทธิเหนือรถของเขาอย่างสมบูรณ์เขาจะหยุดรับใครหรือไม่ย่อมมีสิทธิทำได้อย่างสมบูรณ์คิดอย่างนี้แล้วอัตมาก็กลับเข้ามานั่งทนความกระหายน้าใต้ต้นไม้ต่อไป เวลาผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงรถยนต์อีกคันหนึ่งดังมาตามถนนทางทิศเหนืออาตมาออกไปยืนโบกมือตามเคยแต่คราวนี้สักแต่ว่าทาไปโดยไม่มีความหวังใดๆเพราะรถยนต์สองคันที่ผ่านไปนั้นทำให้อาตมาได้บทเรียนบทหนึ่งว่า การตั้งความหวังไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถ้าเกิดความผิดหวังจะเป็นทุกข์ฉะนั้นควรทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องตั้งความหวังใดๆไว้แต่ทำอย่างดีที่สุดถ้าประสบผลสาเร็จก็ดีไปถ้าล้มเหลวก็จะไม่ผิดหวังและเกิดทุกข์เพราะเราไม่มีความหวังอยู่แล้วแต่บางสิ่งที่เราไม่คาดหวังเลยกลับเกิดขึ้น ปรากฏว่ารถยนต์โดยสารคันนั้นได้หยุดกึกลงข้างหน้าตมาและเด็กเก็บข้าโดยสารได้ลงจากรถมาช่วยขนเอาบาและกรดของตมาขึ้นไปบนรถด้วยพอตมาขึ้นนั่งเรียบร้อยที่ทายรถแล้วรถก็เริ่มออกวิ่งสังเกตดูภายในรถมีคนโดยสารนั่งอยู่ตอนหน้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้น นี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดรับอาตมาครูใหญ่ผ่านไปเด็กเก็บค่าโดยสารก็หยุดยืนข้างหน้าอตมายื่นมือมาขอรับค่าโดยสารอาตมารู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะไม่มีเงินค่าโดยสารจะให้เขาและไม่คิดว่าเขาจะเก็บค่าโดยสารจากพระเพราะอาตมาเคยขออาศัยโดยสารรถยนต์โดยสารมาหลายครั้ง หลายบ้านหลายเมืองแต่ไม่เคยเสียค่าโดยสารเพราะเขาไม่เก็บค่าโดยสารจากพระอาตมาพูดกับเด็กเก็บค่าโดยสารว่าอาตมาบาังเอิญไม่มีเงินติดตัวเลยขออาศัยโดยสารไ ป, ปรเปล่าๆจะได้ไหมไม่ไปไกลนักหรอกพอถึงหมู่บ้านข้างหน้าหรือถ้ามีผู้โดยสารขึ้นมากๆอาตมาก็จะลงทันทีได้ไหมยม เด็กคนเก็บค่าโดยสารยืนจ้างดัวตา ม, มาด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหลังกลับเดินไปทางหน้ารถเขาชะงงกหน้าออกไปพูดกับคนขับอยู่ครู่หนึ่งแล้วรถก็ค่อยๆลดความเร็วลงและหยุดกึกหลงข้างทางเด็กเก็บค่าโดยสารเดินมายืนข้างหน้าตา ม, มาด้วยท่าทางเป็นสง่าแล้วพูดว่า ขอให้มนุ์ท่านลงจากรถอาตมาจ้องดูเขาด้วยความรู้สึกงงๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็คว้าบาตรและกรดเดินลงจากรถขณะที่อาตมากําลังยืนอยู่บนบันไดรถขาข้างหนึ่งก้าวลงจวนจะถึงพื้นนั่นเองรถคันนั้นก็กระชากออกเต็มแรงทาให้อาตมาพลัดตกจากรถลงไปนอนอยู่บนถนน บาทและกรดกระเด็นไปคนละทางอัตมาพยุงกายลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากจีวรมองตามหลังรถคันนั้นไปด้วยความเคืองคุณซึ่งพุ่งขึ้นมาในจิตใจโดยอัตโนมัติแต่เมื่อได้สติกลับคืนมาอัตมาก็พยายามระงับมันเสียโดยคิดว่าการที่เขาไล่ เราลงจากรถนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเพราะเจ้าของรถเขาสละเงินจำนวนมากไปซื้อรถมาวิ่งก็เพื่อต้องการเงินนำไปเลี้ยงบทภัญญายาดมิดดตรและตนเองใครมีเงินให้เขาเขาก็ยินดีรับขึ้นโดยสารรถของเขาอย่างเต็มที่ใครไม่มีเงินเสียค่าโดยสารให้เขา เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับให้โดยสารถ้าขืนขึ้นไปโดยสารโดยไม่มีเงินเสียก็เท่ากับละเมิดสิทธิ์ของเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะไล่ลงจากรถโดยสารของเขาได้ทุกเมือ่อฉะนั้นการที่ตมาถูกเขาไล่ลงเพราะไม่เสียเงินค่าโดยสารให้เขาจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วพอคิดอย่างนี้ ความโกรธเคืองก็ลดลงแต่ยังไม่หายไปทีเดียวเพราะจิตใจยังหวนคิดถึงการที่เขาแลอ่อตมาลงอย่างทารุณกลั่นแกล้งให้อตมาตกจากรถซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่น่าให้อภัยเลยแต่อตมาก็พยายามระ ง, งับความขุ่นเคืองที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นโดยคิดว่า ถ้าเขากระทําอย่างนั้นด้วยเจตนาชั่วก็แสดงว่าเขาเป็นคนชั่วจิตใจของเขาถูกโลภโทสะโมหะครอบงำจนเป็นใจที่บอดมืดถ้าการกระทําความชั่วมีผลเป็นทุกข์จริงก็แสดงว่าเขากําลังเดินทางไปสู่ความทุกข์เปรียบเหมือนคนตามบอดที่กําลังเดินไปสู่ปากเหวลึกถ้าเขาเผลอมาเหยียบท้าของเราเข้าบ้าง เราควรจะโกรธเขาหรือควรจะสงสารเขาให้อภัยเขาทุกคนย่อมจะยินดีให้อภัยแก่เขาอาตมาพูดกับตนเองว่าจงให้อภัยผู้อื่นแต่อย่าให้อภัยตนเอง แล้วก็เก็บบาทและกรดออกเดินทางต่อไปโดยไม่ตั้งใจขอโดยสารรถคันใดอีกแสงแดดอันร้อนแรงทารุณของเวลาบ่ายพื้นถนนร้อนระอุบรรยากาศอันหนักตึงและอบอ้าวประกอบกับความกระหายน้ำที่ทรมานสังขารอยตะลอดเวลาทำให้อตามาเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าขันท่าคือความทุกข์ ขันท่าที่มีอุปาทานเข้าไปยึดคือความทุกข์ชีวิตร่างกายคือก้อนแห่งความทุกข์อันหนักอึง้งที่เราจำจะต้องแบกท่องเที่ยวไปในวัดตักและจะสลับทิ้งได้ก็ต่อเมื่อถึงธรณีประตูแห่งพระนิพพานในขณะที่กำลังถูกเพลิงทุกเผลลนจิตใจอยู่นั่นเอง จิตใจของอาตมาก็หวนคิดถึงคำสอนของพระอาจารย์อีกขั้งหนึ่งท่านสอนว่าความทุกข์นานาประการเช่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจระปวดปัสสาวะปวดเมื่อยตามกายเน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเจ็บปวดเสียดแทงตลอดถึงแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่มีอยู่ประจำในสังขารทั้งปวง แม้แต่สังขารของพระบรมศาสดาสมมาสามพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกับสังขารของสามัญชนทุกคนต่างกันแต่เพียงว่าเมื่อสังขารเป็นทุกข์พระทัยของพระองค์ไม่เป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อสังขารหิวกระหายพระทัยของพระองค์ไม่หิวกระหายด้วยเมื่อสังขารเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้า พระไทยของพระองค์ไม่เมื่อยล้าด้วยเมื่อสังขารเจ็บปวดพระไทยของพระองค์ไม่เจ็บปวดด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงถอนอัตตานติทิความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนของตนได้อย่างเด็ดขาดแล้วทรงเห็นชัดว่าสังขารร่างกายเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นเสื่อมลง แล้วก็ดับไปตามสภาพของมันเองเช่นเดียวกับสังขารทั้งหลายในสากลจักรวาลไม่อยู่ใต้อำนาจของใครไม่ใช่ของใครพระองค์ทรงเฝ้าดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ของสังขารของพระองค์เองด้วยพระทัยอันสงบสุขเช่นเดียวกับบุรุษพุ่นนั่งบนฟังแล้วจ้องดูกระแสน้ำในแม่ น, นาม้า ที่หลายผ่านไปไม่หยุดยัง้งตามสภาพของมันเองไม่เป็นทุกข์ไม่ดูร้อนกระวนกระวายแต่อย่างใดส่วนสาว ม, มัญชนผู้ยังเต็มเน้นด้วยสกกญาตทิฏฐิด้วยอัตานุทิฏฐิยังเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นของของตนแล้วเข้ายึดถือไว้ด้วยอุปาทาน เมื่อขันห้าหิวกระหายย่อมหิวกระหายกระวนกระวายด้วยเมื่อขันห้าเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย่อมเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยเมื่อขันห้าเจ็บปวดย่อมเจ็บปวดด้วยเขาไม่รู้ความจริงหลงยึทถือว่าชีวิตร่างกายเป็นของตนเป็นตนจึงปรารถนาอยากให้สังขารเป็นไปตามอำนาจของตน เมื่อสังขารทั้งหลายไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาแต่เป็นไปตามวิถีทางของมันเองอย่างเคร่งครัดเขาจึงเกิดความผิดหวังเป็นทุกข์เดือดร้อนโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเปรียบเหมือนทารกที่ไม่รู้เดียงสาอยากได้ดวงจันทร์มาถือเล่นในมือเมื่อไม่ได้สมปรารถนาก็ร้องไห้ อาตมาเดินไปคิดไ ค, คล้ครวนคำสอนของพระอาจารย์ไปพรานจนสามารถบรรเทาอัตตาโนทิธิลงได้บ้างรู้สึกสบายใจขึ้นมากทีเดียวจนเกือบจะลืมความร้อนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาและความกระหายมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ดังแว่วมาตามถนนทางเบื้องหลังขณะนั้น ความคิดที่ว่าจะขอโดยสารอีกไม่มีแม้แต่น้อยขณะนั้นไม่คิดเลยว่าจะขอโดยสารรถสงบจิตแผ่เมตตาให้เจ้าของรถคันนั้นมีความสุขนำตัวเข้าจิตขอบถนนเพื่อไม่ให้เกะ ก, กะทางวิ่งของเขาแล้วก็เดินต่อไปด้วยใจเป็นปกติ รู้สึกสบายใจดีที่ได้ใช้ขาของตนเองให้เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องอาศัยใครรถคันนั้นดังไล่หลังอาตมามาอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ผ่านขึ้นหน้าตามาไปอาตมาไม่มีความสนใจและไม่คิดจะมองดูด้วยซ้ำแต่ก็จำเป็นต้องดูเพราะรถคันนั้นซึ่งไม่ใช่รถโดยสารธรรมดาแต่เป็นรถจิบแบบเลนโรเวอร์ได้หลบเข้าข้างถนน แลลหยุดกึกลงข้างหน้าอาตมาประตูรถได้เปิดออกแล้วชายกลางคนในชุดเสื้อมอห่มได้กระโดดลงจากรถหันมาทางอาตมายกมือไหว้แล้วยิ้มถามว่าท่านจะไปไหนครับอาตมาหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ตอบทันทีเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดี เนื่องจากอาตมาไม่มีจุดหมายปลายทางจริงๆอาตมาเดินทางไปเรื่อยๆยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปไหนชายเจ้าของรถจ้องดูอาตมายอย่างงงๆแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านขึ้นรถไปกับผมดีกว่าท่านจะไปไหนผมจะไปส่งให้หรืออยากจะลงกลางทางตรงไหนผมจะหยุดให้ลงาเชิญคุณโยมไปตามสบายแต่นยยมนะ ไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกอาตมาไม่มีธุระเรียร้อนอะไรตั้งใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆถ้าพบหมู่บ้านข้างหน้าสักแห่งหนึ่งก็จะหยุดพักอาตมาตอบพลางคิดอยู่ในใจว่าคนเรานั้นแม้จะมีอวัยวะร่างกายเหมือนกันแต่ก็มีจิตใจแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน ขณะที่บางคนไม่ยอมหยุดรถรับทั้งๆ้งที่ตมาโบกมือให้หยุดคนนี้กลับหยุดเองโดยตมาไม่ได้ขอร้องขณะที่บางคนแล้วตมาลงจากรถด้วยอาการหยาบคายคนนี้กลับเชื้อเชิญให้ขึ้นรถของเขาด้วยความนอกนอมชายคนนั้นพูดพลางหัวเราะว่าแต่ท่านคงยังไม่เคยผ่านแดดนี้ละมั้งครับ ยังอีกไกลมากนาท่านอ่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านข้างหน้าผมว่าท่านเดินทางถึงค่ําก็ยังไม่ถึงหมู่บ้านไปกับผมดีกว่าว่าแล้วเขาก็เดินตรงเข้ามารับบาตและกรดจากรตา ม, มาซึ่งทําให้ตา ม, มาจําต้องฉลองศรัทธาของเขาแต่โดยดีเมื่อเราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาก็สตาร์ตรถออกวิ่งไปตามถนน เขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อชำนาญเป็นเจ้าของโรงบ่มใบายาหลายตลายแห่งในภาคเหนือเวลานี้เขาได้ออกจากบ้านในเมืองเชียงใหม่เพื่อไปตรวจงานตามโรงบ่มต่างๆซึ่งตั้งเป็นระยะอยู่ตามจุดต่างๆบนถนนสายนั้นสังเกตดูรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความรู้พูดจามีหลักฐานและท่าทางเป็นคนใจบุญ เขาบอกว่าผมเป็นคนชอบพระชอบเจ้ า, าเขาโพดกําลังทีจ้องตาไปข้างหน้าขับรถไปด้วยเนี่ยผมเห็นพระเห็นเจ้าไม่ได้ยากทำบุญขึ้นมาทันทีพอทำบุญแบบไหนได้ก็ทำตามกําลังพอถวายข้าวพละอาหารได้ก็ถวายพอถวายน้ำดื่มได้ก็ถวายพอจะช่วยธุรกิจยางอื่นได้ก็จะช่วย ทำแล้วมันสบายใจดีครับอตมาก็ตอบยอมไปว่าดีแล้วอตมาขออนมโมธนาก็ตอบไปตามธรรมเนียมเพราะยังนึกคำตอบที่ดีไปกว่านั้นไม่ได้เขาผละมือซาจากพวงมลาลัยและชี้นิ้วหัวแม่มือไปข้างหลังที่ท้ายรถเขาบอกว่าท่านดูสิครับที่ท้ายรถผมนี่เต็มไปด้วยสิ่งของทั้งนั้น อาตมาหาันไปมองดูตอนหลังของรถก็ได้พบสิ่งของต่างๆมากมายเช่นผ้าใยหนังสือสบู่ยาสีฟันยารักษาโรคต่างๆเป็นตน้นคณโยมจะเอาทยาทาเหล่านี้ไปร่วมทาบุญที่ไหนหรืออ๋อผมไม่ไปร่วมที่ไหนหรอกครับตามปกติถ้ามีงานทาบุญใหญ่ๆผมไม่ค่อยไปร่วมกับเขาหรอกเพราะในคราวทาบุญใหญ่ พระท่านรวยอยู่แล้วผมทำของผมเองของเหล่านี้ผมจะเอาไปถวายพระตามวัดต่างๆที่อยู่ตามหมู่บ้านใกล้ๆกับโรงบ่มของผมเพราะผมสังเกตเห็นว่าพระที่อยู่ตามบ้านนอกมีความเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองมากเครื่องใช้ไม้สอยก็ไม่มีความรู้สั่งสอนญาติโยมก็ไม่มีผมจึงจัดซื้อไปถวายท่านตามมีตามเกิดทุกครั้งที่ออกไปตรวจงาน ก็ดีแล้วอัตมาข อ, อนาโมธนะท่านใดนั้นชายผู้ใจบุญได้เหยียบเบรกหยุดอย่างกระทันหันจนอัตมาหัวเขามาไปข้างหน้าก่อนที่ตามาจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เปิดประตูรถด้านขวาพลุ้นพลันลงไปเสียแล้วเขาเดินงดงดไปข้างหน้ารถ ก้มลงอุ้มเอาก้อนหินขนาดเครื่องเดินตัวโกงออกไปโยนทิ้งในป่าข้างถนนแล้วก็ปัดมือเดินกลับมาขึ้นรถใครก็ไม่ทราบเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาวางไว้กลางถนนเขากล่าวพลางหอบฮักฮักขณะสตาร์ตรถออกวิ่งคําวา่าว่าถ้ารถวิ่งเร็วๆมาโดนเข้ามีหวังเสียหลักบางทีอาจจะพลิกคว่ำ บางทีอาจยางแตกเป็นอันตรายมากคนเรานี่ก็แปลกบางคนชอบเป็นสนุกสนุกโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ของผู้อื่นผมเป็นคนแปลกเห็นอะไรควางหูขวางตาน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นอดที่จะแก้ไขไม่ได้ไม่จะเป็นสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆหรือจะเสียเวลาเสียความสุขสบายส่วนตัวก็เยอะ อย่างก้อนหินก้อนนั้นรถคันอื่นๆก็ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่สิบคันแต่ทุกคนก็ผ่านไปทุกคันผ่านไปไม่มีใครยอมเสียเวลาค้นออกจัดทางแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆครับเอาออกแล้วสบายใจดีก็ดีแล้วอาตมาข อ, อนมโมธนา